หกสเก้าอุปาทา น, นโคจรกะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกกะเจ็ดสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระยอ่อแปดสิบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูกปัจใจมีสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี่วาระยอ่อแปสิบสามปิติทุกกะหนึ่งเหตุถูทุกกะแปดสิบเอ สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระ อารามณะปัจจัยมี two two around, wise, สองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจใจมีสี่วาระสภาวะธรรมที well. ่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากบปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบสองสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบ Ы ื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสี่วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุถูกปัจจัยมีสองวาระ ละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ8ปสสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระทุกวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวระ อารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อหนึ่งร้อยชรณทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะเป็นต้นแปดสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุ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 สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระย่อเหตุตุปัจมีสองวาระละถ Elise ึง วิปลากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใ mm ช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งไม่มีเหต assembly. ุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงบรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศัยวณัปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปสหสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัร้องไห้ซึ่งสัมปยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมาณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีสี่วาระเหมือนกับเสหตุกะทุกระแปสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสองวาระแปดสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปวิจักเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุตได้เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถุกปัจจัยเหมือนกับเหตุถุกเสหตถูกะทุกระแปดสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตวร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปา ก, กปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้อยจารณทุกกะเจ็ดจุลันตระทุกกะเก้าสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยธรรมณปัจจัยย่อธรรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัปจจัยมีหนึ่งวาระ อุปาเนเชียปัจจัยมีหนึ่งวาระ91สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งโดยอรมณปัจจัยย่ออรมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปาเนเชียปัจจัยมีหนึ่งวาระ92 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยธรรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป um ็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยธรรมณะปัจจัยย่อธรรมณปัจจัยมีสองวาระอาทิตติปัจจัยมีหนึ่งวาระ อุปาณิเสยปัจจัยมีสองวาระโุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอัติปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้ชรณทุกกะสิบสี่อสาุาวะโคชกะเกสาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอสาาุวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นอสาาุวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักร้องไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเก้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นอารมณ์ของาอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระโดยอุบายนี้เพึงขยายให้พิจารทุกปัจจัยหนึ่งร้อยจารณะทุกกะห้าสิบห้ามหันตระทุกกะเก้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ เรรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อหนึ่งร้อยสระณทุกะแปดสิบสามปิิทุกะเก้าสิบหสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาธรรมานุโลมปัจจนียะทุกกะทุกกะประฐานจบอนุโลมปั จ, จิญญาปัฏฐานจบ ธรรมปิฎกธรรมปัญญานุโลมเดือกระปฐานขอ น, นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งุสลตดืกระหนึ่งปฏิจจวาระปัจจญะจตุนันเหตุปัจจัยและอ ร, รมณปัจจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นและถึงขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกริยาเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป e ็นอกุศลและที่เป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤต อาศ tamam ัยสภาวธรรมที่ไ <bipart> ม <blonde> ่เป si <t ell an> ็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นนพยากฤิอาศัยสภา be. วธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนพยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นหนักพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นหนักกุศลและที่เป็นหนักพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นหนักพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นหนักกุศลและที่ไม่เป็นหนัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นหนักพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม <Three. S 1> <Ginger. S 2> ่เป็นอภพยากฤตเกิดข uh. er. <hundred Est Twenty events> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสอง สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลอาศัย e สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอรมัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิากฤิจอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้น เพราะอารมัตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารมัตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารมัตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะอรมัตปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรม ท, Ala, ที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอาทิปติปัจจัยมี18วาระ ละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิปดวาระปัจญจิยนันเหตุปัจจัยและนอารรมณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยะกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสี่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยะกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนารมณ์ปัจจัยย่อห้า นัเหตุปัจจัยมีหกวาระน่นอรมณะปัจจัยมีหกวาระนั่นทิปติปัจจัยมีสิบแปดวาระและถึงนั่ปุเรชาตะปัจจัยมีสิบสองวาระและถึงน่กรรมปัจจัยมีเก้าวาระและถึงน่อาหารปัจจัยมีสามวาระน่อินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระน่ชาณะปัจจัยมีสามวาระน่มรรคปัจจัยมีสามวาระละถึง นวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงโนวิคตาปัจจัยมีหกวาระณอารรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระยอ่ออารรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหกวาระยอ่อสหาชาตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 1. นึกุศลติปะ 3. ปัจจญวาระ 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศล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 เพราะเหตุปัจจ ah ah ัยมีห้าวาระทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยากฤตมีสามวาระทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภพยากฤตมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิหกวาระ อรมณะปัจจัยมีสิบสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี26วาระในฉังสัทธวาระเหตุ ป, ปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระสามปยุตตะวาระเหมือนขปฏิจาวาระ 1. นกุสลตึกกะ 7. ปัญหาวาระเจด สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยกฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัภยกฤตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤรโดยเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤรโดยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัย8สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอภิยกฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตโดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอภิยกฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคุสลและที่ไม่เป็นอภิญักตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิญักตรโดยอรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากตรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอภิญักต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภพยกฤตโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยรมณปัจจัยมีสามวาระย่อกล่าวเฮตุปัจจัยมีสิดวาระ อารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี23วาระอานันตระปัจจัยมี16วาระและถึงสหชาติปัจจัยมี18วาระอัญญมัญญาปัจจัยมีห้าวาระเนสียปัจจัยมี22วาระอุปาเนสียปัจจัยมี18วาระปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีหวาระอาสสวะปัจจัยมีห้าวาระ ปรมปัจจัยมี18วาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมี18วาระและถึงมรคะปัจจัยมี18วาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีสิบสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี่สบสอวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิจารณาสอเวทนาติปะ หปฏิจจวาระ 10. สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่สัมปยุทธิทุกขมรุสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 เหตุปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ 3. วิปากติกะ 1. ปฏิจจวาระ11สภาวธรรมที่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปาก เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพรา ะ, าระเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบสองวาร ะ, ะอารมณะปัจจัยมีสิบเอดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบแปดวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสิบหกวาระละถึง ปเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระอาเสิวะปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสิบ้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี22วาระ 4. อุปาทินติภะหปฏิจจวาระ 12. สสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรม ที่ไม่เช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เช่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระ สภาวธรรมที่แคลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แคลมม์อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่แคลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แคลมม์อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่มิเช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่มิเช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน และที่ไม่เชื่รกำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ and, ปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เชื่อกมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่เชื่อกำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมี11วาระและถึงอาเจวะปัจจัยมีหกวาระและถึงวิปากปัจจัยมี17วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี18วาระ 5. สังกิตลิธาติกะ 1ปฏิจจวาระ 13. สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีส8บแปดวาระอรมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสิบเอดวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสิแดวาระ 6. วิตกติกะหนึ่งปฏิจจาวาระสิบสีสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมทีท่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัย สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสี่สิบเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามสิบวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอาสิวนปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่สิบเก้าวาระเจ็ดปีติติฆหนึ่งปฏิเจวาระสิบห้า สภาวธรรมที่โสหรคด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่สหรรคด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสีวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี28วาระและถึงอวิภตะปัจจัยมี28วาระ